พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิเทียาลายัยเล่มที่ส0พระสุตตันตปิฎกทีขณิกายมหาวักพระสุตตันตปิฎกทีขณิกายมหาวัก ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมหาประทานนสูตรว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เรื่องเกี่ยวกับปุเพนิวาสข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เกรริคุดีณพระเชตวันอารามของอนาธบินิกาเศรษฐี เคครุงสาวตถีครั้งนั้นภิกษุหลายรูป ก, กลับจากบินทบาทภายหลังชั้นอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่หอนั่งใกล้กเรริมณดกสนทนาธรรมอันเกี่ยวกับปุบเพนิวาสว่าปุเพนิวาสมีได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงสดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นด้วยที่ประสตคธาตุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ เสด็จลูกจากพุทธอาฏเข้าไปที่หอนั่งใกล้กระเริมนตดบประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูราดไว้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่หอนั่งใกล้เกรริมนดบสนทนาธรรมอันเกี่ยวกับปุบเพนิวาสว่าปุเพนิวาสมีได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เรื่องนี้แหละที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายต้องการจะฟังทำมีคาถาอันเกี่ยวกับปุบเพนิวาสหรือไม่พวกภิกษุทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตถึงการอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงทำมีคาถาอันเกี่ยวกับปุบเพนิวาสภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะได้ทรงจาไว้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกลับที่31นั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัทระกับนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โกนาคมณะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อุบัติขึ้นมาในโลกในพัทระกับนี้เช่นกันพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระสิขีพุทธเจ้าพระเวสภูพุทธเจ้ามีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์ พระกะกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคมณพุทธเจ้าพระกัสปะพุทธเจ้ามีพระชาติเป็นพราหมณ์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลพราหมณ์บัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชาติเป็นกษัตริย์ได้อุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระโคดว่าโกณทันญะพระสิขีพุทธเจ้ามีพระโคดว่าโกณทันยะ พระเวชภูพุทธเจ้ามีพระโคธว่าโกนทัญญะพระกกุสันทะพุทธเจ้ามีพระโคตว่ากัสปะพระโกูนาคมมณพุทธเจ้ามีพระโคตว่ากัสปะพระกัสปะพุทธเจ้ามีพระโคตว่ากัสปะบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโคดว่าโคตมะ พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณแปดห0ื่นปีพระสิขีพุทธเจ้ามีพระช น, นมาย 70, ุประมาณ7จ0 0 0มืปีพระเวสภูพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณห0 0 0ืปีพระกัุสันธพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณสี่หมื่นปีพระกูนาคมณพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณสามหมื่นปี พระกสปะพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณสองหมืปีบัดนี้เรามีอายุเพียงเล็กน้อยผู้ที่มีอายุยืนก็เพียงร้อยปีหรือเกินไปอีกเล็กน้อยพระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นแคฝอยพระสิขีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นมะม่วงพระเวสภูพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นสาละพระกกุสันทะพุทธเจ้า ตรัสรู้ที่ควงต้นซึกพระโกโนาคมนาพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นมาเดือ่อพระกัสปะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นใส่บัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นอสัตถะพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระขันทะและพระติสัก พระสิกขีพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระอภิภูและพระสัมภวะพระเวสภูพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระโสนะและพระอุตระพระกกุสันทพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระวิทุระ และพระสัญชีวะพระโกนาคามณพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระพิยโยสะและพระอุตระพระกัสปะพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระติสะและพระพารธทวาชะบัดนี้เรามีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่ พระสารีบุตรและพระโมฆลานะพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกสามครั้งครั้งที่1มีภิกษุ1น8 0 0 0รูปครั้งที่สองมีภิกษุ 100,000 รูปครั้งที่สมีภิกษุ 80,000 รูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีนาศ พระสิขีพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกสามครั้งครั้งที่1มีภิกษุ1 0 0 0 0แนรูปครั้งที่สองมีภิกษุ8 0 0ห0รูปครั้งที่สมีภิกษุ7 0 0 0หรูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพพระเวสภูพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกสามครั้งครั้งที่1มีภิกษุ8 0ดห0รูป ครั้งที่สองมีภิกษุเจ0 0 0 0ืรูปครั้งที่สามีภิกษุ6กหมืร hmm. <t> ูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาศพพระกัุสันธะพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุสี่หมืนรูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาศพพระโกนาคามณะพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกครั้งเดียว มีภิกษุสามหมืนรูปพระษาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขี่นาศพพระกัสสปะพุทธเจ้ามีการประชุมระษาวกครั้งเดียวมีภิกษุสองหมืนรูปพระษาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขี่นาศพบัดนี้เรามีการประชุมระสาวก e ครั้งเดียวมีภิกษุ 1,250 รูปพระสราษาที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีนาศพ พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีภิกษุอโศกะเป็นอุปถากเป็นอัครอุปถากพระสิขีพุทธเจ้ามีภิกษุเขมังกรเป็นอุปถากเป็นอัครอุปถากพระเวสภูพุทธเจ้ามีภิกษุอุปสันตะเป็นอุปถากเป็นอัครอุปถากพระกกุันท้พุทธเจ้ามีภิกษุวุฒิชะเป็นอุปถากเป็นอัคราอุปถาค พระโกนาคมนาพุทธเจ้ามีภิกษุโสติชะเป็นอุปถากเป็นอัคราอุปถากพระกัสปะพุทธเจ้ามีภิกษุสัพพมิตะเป็นอุปถากเป็นอัคราอุปถากบัดนี้เรามีภิกษุอานน์เป็นอุปถากเป็นอัครา อ, อุปถากพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดา พระนางพันธุมดีเทวีเป็นพระมารดาผู <dır> ้ให้กำเนิดกรุงพันธุมดีเป็นราชธานีของ พ, พระเจ้าพันธุมาพระสิขีพุทธเจ้ามีพระเจ้าอรุณเป็นพระบิดาพระนางปภาวดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงอรุณวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าอรุณ พระเวสสุภูพุทธเจ้ามีพระเจ้าสุปฏิตะเป็นพระบิดาพระนางยะสวดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงอโนมะเป็นราชธานีของพระเจ้าสุปฏิตะพระกกุสัญธาพุทธเจ้ามีพราหมณ์อคิทัตเป็นพระบิดานางพราหมณีวิสาขาเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้น ไดมีพระราชาทรงพระนามว่าเขมะกรุงเขมวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะพระโกนาคมาณะผู้เจ้ามีพราหมยัญยทัศน์เป็นพระบิดานางพรามณีอุตราเป็นพระมารดาผู้ให้กําเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่าโสภะกรุงโสภะวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะ พระกัสปะพุทธเจ้ามีพราหมณ์โพรมาทัตเป็นพระบิดานางพราหมณีธนวดีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่ากิงกีกรุงพาราณสีเป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกีบัดนี้เรามีพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระบิดาพระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงกบิลพัทเป็นราชธานี พระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเรื่องนี้แล้วจึงเสด็จลุกจากพุทธาฏเข้าไปยังพระวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้สนทนาเรื่องที่ค้างไว้ต่อไปดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพานแล้ว ผู้ตัดทมเครื่องเนื่องช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคธพระชนมายุคู่พระอัครสาวกและการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีประภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระนามอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านผู้มีอายุเป็นอย่างไรหนอเพราะพระตถาคตทรงมีปัญญาแทงตลอดธรรมาธาตุนี้จึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดธรรมเครื่องเลื่อนช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัตฏะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว ทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคดพระชนมายุคู่พระอัรสาวกและการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระนามอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้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 จึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นสนทนาเรื่องคลางไว้เท่านี้ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากการหลีกเร้นเข้าไปยังหอนั่งใกล้กรเรริมนดบประทับนั่งบนพุทธาอาที่ปูลาดไ้แล้วตรัสถามภิกษุ์ทั้งหลายดังนี้ว่า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 หรือเพราะเหล่าเทวดาได้กราบทูลความข้อนี้แด่พระตถาคตจึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดิตการผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดธรรมเครื่องเนื่องช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคธพระชนมายุคู่พระอัครสาวกและการประชุมพระสาวกว่า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 ถึงการบันสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมมีคาถาอันเกี่ยวกับปุเพนิวาสนอกจากนี้อีกภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะได้ทรงจำไว้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า พระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายนับจากกับนี้ถอยหลังไป9กอกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์มีพระโคดว่าโกนธัญญะมีพระชนมายุประมาณ8ปดหมื่นปีตรัสรู้ที่ควงต้นแครไฟล์ทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระขันทะ และพระติสสะมีการประชุมพระสาวกสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีภิกษุ 168,00 แรูปครั้งที่สองมีภิกษุหนึ่งแรูปครั้งที่สมมีภิกษุ8ปดห0ื่นรูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพมีภิกษุอโศกะเป็นอุปถากเป็นอครอุปถากมีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดา พระนางพันธุมดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงพันธุมดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมากฎธรรมดร า, าของพระโพธิสัตว์สประการ 1. ภิกษุทั้งหลายพระวิปัสสีโพธิสัตว์ ทรงมีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 2. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสองแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นล่วงเทวนุภาพของเหล่าเทพเพราะแสงสว่างนั้น เหล่าสัตว์ที่เกิดในที่นั้นนั้นจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุนี้สันสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 3. มมีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาเทพบุตรสี่องค์เข้าไปอารักขาประจำทั้งสีทิศด้วยตั้งใจว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ใดๆอย่าได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 4. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดามีปกติทรงศีล คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกาามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 5. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามารมเป็นผู้ที่บุรุษผู้มีจิตกำหนัดใดๆไม่สามารถล่วงเกินได้ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 6. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ทรงได้กามคุณห้าเ อ, อิบอิ่มพร่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยการมคุณหข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครันมีพระอวัยวะสมบูรณ์มีพระอินทรีย์ไม่บกพร่องภิกษุทั้งหลายเหมือนแก้วไผ่ทูลอันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้ว สุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพรทูล น, นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่านี้คือแก้วไพรทูนอัน ง, งดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในชั้นใด เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระคันมีพระอวิวะสมบูรณ์มีพระอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นเหมือนกันข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 8. มีกฎธรรมดาดังนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรได้เจดวัน พระมารดาของพระองค์สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 9. มีกฎธรรมดาดังนี้พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปที่จะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้เก้เดือนหรือ10เดือนส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเท่านั้น ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้สิบมีกฎธรรมดาดังนี้พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับ ย, ยืนประสูติเท่านั้นข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้สิบเอมีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระขนของพระมารดา ในตอนแรกเราเทพจะทำพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้12มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตรีองค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องพระพักของพระมารดาแล้วกราบทูลว่า โปรดพอพระไทยเถิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักย์ใหญ่ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 13. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาเสด็จออกโดยง่ายไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ พิสูจน์ทั้งหลายเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้ากาศิกพัทย์ย่อมไม่ทําให้ผ้ากาศิกพัตร์แปดเปื้อนถึงผ้ากาศิกพัทย์ก็ไม่ทําให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ชันใดเวลาที่พระปูธิสัตว์ประสูจากพระคันของพระมารดาเสด็จออกโดยง่ายไม่แปดเปื้อนด้วยน้ําเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ ชั้นนั้นเหมือนกันข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 14. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 15. มีกฎธรรมดาดังนี้ เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งทรงยืนได้อย่างมั่นคงด้วยประบาททั้งสองที่เสมอกันทรงพินพระพักไปทางทิศเหนือทรงดำเนินไปเจ็ดเก้าขณะที่หมู่เทวดากั้นสเสวตฉัตรตามเสด็จทอดพระเนตรไปยังทิศ ต, ต่างๆแล้วทรงเปล่งพระอสุภิวาจาวาจาอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลก เราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้1 6มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาแสงสว่างเจรจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่งแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจอจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพเพราะแสงสว่างนั้นเหล่าสัตว์ที่เกิดในที่นั้นๆจึงรู้จักกันละกันว่า ยังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจอจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้